บทที่ 4. สีศรัทธาในศักยภาพของตัวคุณเองมีมโนทัศน์และเชื่อมั่นในการบรรลุปณิธานขั้นตอนที่สองสู่ความร่ำรวยศรัทธาเป็นปัจจัยสำคัญของจิตใจเมื่อศรัทธาลลอมรวมเข้ากับความคิดจะทําให้จิตใต้สำนึกสามารถรับรู้คลื่นความคิดนั้นจิตใต้สำนึกจะแปลความหมาย และส่งมันไปสู่อัจฉริยภาพแห่งจักรวาลอารมณ์แห่งศรัทธาความรักและกามมรรมเป็นอารมณ์เชิงบวกที่ทรงพลังที่สุดเมื่อสามสิ่งนี้ลอ้อมรวมเข้าด้วยกันมันจะแต่งแต้มสีสันให้กับความคิดซึ่งจะทำให้มันสามารถเข้าสู่จิตใต้สานึกได้ที่นั่นมันจะถูกแปลเปลี่ยนไปสู่รูปแบบซึ่งพร้อมที่จะรับการตอบสนองจากอัจฉริยภาพแห่งจักรวาล บทวิจารณ์ในข้อความก่อนหน้านี้นโปเลียนฮิวใช้คำสองคำคือศรัทธาและอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลทั้งสองสิ่งนี้อาจชวนให้นึกถึงความหมายในทางศาสนาซึ่งฮิวไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นดังจะได้อธิบายและให้คำจำกัดความของคำที่ฮิวใช้ในบทต่อๆไปคำว่าศรัทธาที่ใช้กันในปัจจุบันมักสัมพันธ์กับศรัทธาในทางศาสนา ซึ่งไม่ตรงกับความหมายของฮิวทีเดียวนักศรัทธาในที่นี้หมายถึงความมั่นใจเชื่อมั่นและความเชื่อถือในตัวคุณเองว่าสามารถที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่คุณจะมีศรัทธาในตัวเองตามความหมายของฮิวแล้วศรัทธาจะต้องเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกตราบใดที่คุณยังมีความสงสัยอยู่ในใจหรือแสร้งทาว่าเชื่อมันจะไม่ได้ผลเพราะจิตใต้สานึกของคุณ จะรู้ทันความสงสัยของคุณถ้าคุณไม่มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงหรือเชื่อแต่ยังลังเลสงสัยก็ถือว่าคุณก็ยังไม่มีศรัทธาฮิว <Hill S 1> ใช้คำว่าอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลเพื่อหมายถึงส่วนของจิตใจมนุษย์และกระบวนการการคิดที่จะทำให้เกิดความอย่างรู้เกิดปัญญาและความเข้าใจเหตุและผลซึ่งแนวคิดนี้ของฮิวเหมือนกับสิ่งซึ่งนักจิตวิทยา่าว จุงเรียกว่าจิตไร้สำนึกที่สะสมมาแต่อดีตการ (Collective Unconscious) และอีกความหมายหนึ่งซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งซึ่งนักจิตวิทยาในปัจจุบันเรียกว่าการทำงานในภาวะ Flow State หรือ Being in the Zone จะได้อธิบายเรื่องอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลในบทต่อๆไปข้อมูลเพิ่มเติมผู้เรียบเรียง Collective Unconscious เป็นกระบวนการจิตใต้สำนึกที่สั่งสมลักษณะบุคลิกภาพมาหลายชั่วอายุคนมนุษย์ทุกชาติทุกภาษามีลักษณะนี้ร่วมกันเป็นญาณสร้างสมมาในสมองแล้วจากประสบการณ์ตั้งแต่อดีตของชาติพันธ์โฟลสเต e คือสภาวะที่จิตใจของเราไปจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่จนกระทั่งไม่มีความคิดอื่นๆหรือเสียงรบกวนภายในอื่น ผ่านเข้ามาในจิตใจ f flow State เป็นทฤษฎีจากนักจิตวิทยาชื่อมิลาฮีชักเซนมิไฮผู้เขียนหนังสือเรื่อง Flow: The Psychology of Optimal Experience ส่วน being in the zone เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับ Full State h e ิ l ยังใช้คำอื่นๆอีกเช่นจิตใต้สำนึก ซึ่งควรจะได้อธิบายให้คุณเข้าใจก่อนที่จะอ่านบทนี้ต่อไปแม้ว่าจะมีแนวความคิดจากหลายๆสำนักแต่จิตวิทยาสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลมาจากงานของซิกมันฟ l อยด์และคลาวจุงซึ่งเชื่อว่าจิตใจคนเราทำงานทั้งในระดับที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวแต่ทั้งสองส่วนต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันจิตใต้สานึกมีบทบาท และอิทธิพลต่อทัศนคติและการกระทำของเรานโปเลียนฮิลได้ศึกษาวิจัยด้วยตัวเขาเองพัฒนาทฤษฎีจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกที่ใกล้เคียงกับมุมมองของจุงต่อไปนี้จะเป็นคำอธิบายพื้นฐานแนวคิดของฮิลจิตสำนึกจิตสำนึกของคุณจะรับรู้ข้อมูลผ่านประสาสัมผัสทั้งหได้แก่รูปรสกลิ่น เสียงและสัมผัสจิตสำนึกจะเก็บรวบรวมสิ่งที่จำเป็นสำหรับความคิดและปฏิบัติการและคัดกรองสงิ่งซึ่งไม่จำเป็นออกไปจิตสำนึกของคุณและความจำเป็นอัจฉริยภาพที่ทำให้คุณคิดหาเหตุผลและวางแผนได้จิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของคุณจัดการกับข้อมูลเช่นเดียวกันกับพื้นที่จิตสานึกรับรู้ แต่ไม่ใช่เหตุผลเดียวกับที่จิตสำนึกทำมันจัดการกับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการตัดสินใจไม่มีการกลั่นกรองและไม่มีการหลงลืมคุณไม่สามารถสั่งการให้จิตสำนึกเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้อย่างไรก็ตามภายใต้พื้นฐานนี้ข้อมูลและไอเดียทั้งหมดที่เราลืมไปแล้วสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใต้สานึกถ้ารากฐานนี้มั่นคง มันจะไปมีอิทธิพลต่อทัศนคติและการกระทําของเราต่อไปจบบทวิจารณ์จะเสริมสร้างศรัทธาได้อย่างไรข้อความต่อไปนี้สำคัญมากในการทำความเข้าใจกับความสำคัญของการเสนอแนะตัวเองเพื่อแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเงินทอง คำว่าศรัท ธ, ธาหมายถึงสภาวะจิตใจที่จะถูกชักนําและสร้างสารรค์ด้วยการยืนยันหรือออกคําสั่งซ้ําๆไปยังจิตใต้สํานึกผ่านหลักการของการเสนอแนะตัวเองการยืนยันกับตัวเองซ้ํำๆนี้เหมือนกับการออกคําสั่งกับจิตใต้สํานึกของคุณและมันเป็นวิธีการเดียวในการเสริมสร้างอารมณ์แห่งศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าคุณสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ลองพิจารณาว่าทำไมคุณจึงอ่านหนังสือเล่มนี้นั่นเพราะคุณต้องการที่จะมีศักยภาพในการแปลเปลี่ยนพลังความคิดแห่งปณิธานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนให้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ซึ่งรวมไปถึงเงินทองด้วยคำแนะนำนี้วางอยู่บนพื้นฐานของบทถัดไปคือเรื่องของการเสนอแนะตัวเองและจิตใต้สานึกคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่จะทาให้จิตใต้สานึกเชื่อว่า ตัวคุณเองมีความเชื่อในสิ่งที่ร้องขอจิตใต้สำนึกจะจัดการกับความเชื่อนั้นและส่งมันกลับมาหาคุณในรูปแบบของศรัท ธ, ธาตามมาด้วยแผนการที่จะนำสิ่งที่คุณได้ตั้งปณิธานไว้มาให้คุณหลังจากที่คุณเข้าใจหลักการทั้ง13ประการแล้วคุณจะต้องพัฒนาสภาวะจิตใจแห่งความมีศรัท ธ, ธาในตัวเองและศักยภาพของตัวเองให้เกิดขึ้นมาเป็นความจริงที่ว่าศรัท ธ, ธา เป็นสภาวะจิตใจที่จะพัฒนาให้เกิดในตัวคุณเองได้ตามธรรมชาติก็ต่อเมื่อคุณได้นำหลักการเหล่านี้ไปใช้อารมณ์หรือความรู้สึกแห่งห่วงความคิดเป็นสิ่งที่ทําให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวาและจะส่งผลต่อกิจกรรมที่จะทําต่อไปอารมณ์แห่งศรัทธาอารมณ์รักและการอารมณ์เมื่อผสมผสานเข้ากับพลังความคิดจะนาไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผล ความคิดที่ถูกเจือปนด้วยอารมณ์ความรู้สึกและผสมผสานด้วยศรัทธาความเชื่อในศักยภาพของตนเองจะเริ่มแปลเปลี่ยนสภาพของตัวมันเองอย่างมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรก็ตามความจริงข้อนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะกับพลังความคิดที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเท่านั้นแต่เป็นความจริงกับทุกอารมณ์รวมไปถึงอารมณ์เชิงลบด้วยนั่นก็หมายความว่า จิตใต้สำนึกนั้นจะแปลเปลี่ยนไปสู่พลังความคิดเชิงลบหรือในทางทำลายล้างได้เช่นเดียวกันกับการแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือสร้างสรรค์นักอาชญาวิทยาได้เคยพูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่าครั้งแรกที่คนเราสัมผัสกับอาชญากรรมจะรังเกียจมันแต่ถ้าเขายังเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่อไปอีกระยะหนึ่งจะเริ่มเคยชินและทนกับมันได้เขาจะรับมันไว้และถูกครอบงมในที่สุด นี่เป็นปฏิสัมพันธ์ของพลังความคิดเชิงลบที่ได้ผ่านเข้าไปสู่จิตใต้สํานึกมากพอจนทําให้จิตใต้สํานึกยอมรับมันในที่สุดจิตใต้สํานึกจะแปลเปลี่ยนพลังนั้นให้เกิดผลในทางปฏิบัตินี่คือคําอธิบายว่าทำไมปรากฏการเลวร้ายจึงมักเกิดขึ้นกับคนนับล้านที่คิดว่าตัวเองโชคร้าย มีผู้คนนับล้านที่เชื่อในเคราะห์กรรมของตัวเองที่ยากไร้และล้มเหลวเพียงเพราะพลังที่เขาเรียกว่าความโชคร้ายและมีความเชื่อว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมได้ความเป็นจริงแล้วตัวพวกเขาเองต่างหากที่เป็นผู้สร้างความอับโชคให้ตัวเองเนื่องจากความเชื่อในโชคร้ายได้เข้าไปสู่จิตใต้สำนึกแบบแปลเปลี่ยนไปสู่ผลในทางปฏิบัติความเชื่อหรือศรัทธาของคุณ เป็นรากฐานที่จะกำหนดการทำงานของจิตใต้สำนึกดังนั้นผมจึงขอเน้นย้ำว่าคุณจะได้ประโยชน์จากการส่งปณิธานที่คุณปรารถนาลงไปสู่จิตใต้สำนึกเพื่อแปลเปลี่ยนให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือเป็นเงินทองจิตใต้สำนึกจะแปลเปลี่ยนให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยวิถีทางที่สะดวกและตรงที่สุดคาสั่งใดก็ตามที่ลงไปสู่จิตใต้สานึกด้วยความเชื่อและศรัทธาย่อมจะบังเกิดผล โปรดสังเกตประเด็นนี้ให้ดีเนื่องจากมันเป็นหนทางที่จะทําให้จิตใต้สำนึกทำงานเมื่อคุณให้คําแนะนําจิตใต้สานึกด้วยการเสนอแนะตนเองแล้วคุณจะสามารถหลอกล่อจิตใต้สำนึกได้โดยไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดยั้งคุณตัวผมเองก็เคยได้ใช้วิธีนี้หลอกล่อจิตใต้สำนึกของลูกชายของผมเมื่อคุณจะเรียกใช้จิตใต้สานึกโดยการหลอกล่ออย่างแนบเนียนนั้น คุณจะต้องทําตัวเองให้เสมือนว่าได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการไว้เรียบร้อยแล้วบทวิจารณ์เป็นหลักการที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในทฤษฎีสร้างแรงจูงใจในยุคปัจจุบันว่าจิตใต้สํานึกไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เป็นความจริงกับสิ่งที่อยู่ในจินตนาการได้หนึ่งในการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดนี้มาจากกลุ่มนักกีฬาบาสเกตบอล โดยแบ่งนักกีฬาออกเป็นสามทีมและมีการทดสอบความสามารถในการชุดลูกบอลลงห่วงของนักกีฬาในแต่ละทีมจากนั้นแต่ละทีมจะถูกแยกออกจากกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งและบอกพวกเขาว่าจะได้รับคำสั่งในการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถในการเล่นทีมแรกได้รับคำสั่งให้ซ้อมส่งและชุดลูกทุกวันทีมที่สองได้รับคำสั่งว่ายัางไม่ต้องฝึกซ้อมอะไรเลย แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเกี่ยวกับบาสเกตบอลด้วยทีมที่สามได้รับคำสั่งว่าไม่ต้องฝึกซ้อมเหมือนกันแต่ให้ใช้เวลาในการดูการเล่นบาสเกตบอลทุกวันให้สนใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนในการชุดลูกลงห่วงเมื่อสิ้นสุดการทดลองได้มีการทดสอบความสามารถของแต่ละทีมอีกครั้งหนึ่งพบว่าทีมที่ให้หยุดพักมีความสามารถในการเล่นลดลงส่วนทีมที่ฝึกซ้อมทุกวัน มีความสามารถในการเล่นเพิ่มขึ้นและทีมที่ไม่ได้ฝึกซ้อมแต่ได้ดูการเล่นทุกวันกลับมีความสามารถเทียบเท่ากับทีมที่ฝึกซ้อมทุกวันดังที่ฮิวกล่าวไว้ว่าคุณสามารถหลอกล่อจิตใต้สำนึกด้วยการเสนอแนะตนเองถ้าคุณปลูกฝังไอเดียลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณแล้วแล้วก็จิตใต้สำนึกจะยอมรับและทํางานกับไอเดียนั้นราวกับว่ามันเป็นความจริง ความสําคัญจึงอยู่ที่คําว่าด้วยการโน้มน้าวถ้าคุณพยายามสื่อสารกับจิตใต้สํานึกแต่เบื้องหลังจิตใจคุณมีความลังเลสงสัยว่าจะได้ผลหรือไม่จิตใต้สํานึกจะรู้ทันทีว่าคุณส่งข้อมูลที่สับสนและมันก็จะยกเลิกการตอบสนองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฮิลถึงเน้นความสําคัญของการทํำริศัทธาจิตใต้สํานึกจะไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกเชิงบวกหรือเชิงลบ แต่มันจะตอบสนองต่อพลังที่เข้ามาสู่มันผสมผสานอารมณ์เข้าไปในความคิดได้มากน้อยเพียงไรจบบทวิจารณ์คุณจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นอารมณ์เชิงบวกให้เป็นกําลังหลักของจิตใจอย่างไรก็ตามศรัทธาในตัวคุณไม่ได้มาจากการอ่านเพียงแค่คาแนะนำคุณจะต้องเข้าใจทฤษฎีอย่างท่องแท้และเริ่มนามันไปปฏิบัติด้วยประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ จะทําให้คุณสามารถพัฒนาศักยภาพในการผสมผสานศรัทธาเข้ากับคําสั่งที่ส่งลงไปในจิตใต้สํานึกเมื่อคุณมีศรัทธาในความสามารถของตัวเองแล้วคุณจะสามารถออกคําสั่งต่อจิตใต้สํานึกได้ซึ่งจิตใต้สํานึกจะยอมรับและตอบสนองในทางปฏิบัติทันทีการที่จิตใจของคุณมีอารมณ์เชิงบวกเป็นหลักจะช่วยสนับสนุนให้เกิดศรัทธาขึ้นในจิตใจ ศรัทธาในตัวเองเป็นสภาวะจิตใจที่คุณสามารถสร้างได้โดยการเสนอแนะตนเองตลอดทุกช่วงวัยของเราผู้นำทางาศาสนามักจะตักเตือนให้ผู้คนมีศรัทธาเมื่อเขากล่าวถึงการมีศรัทธาจะดูเหมือนว่าไม่มีเหตุผลเป็นแค่หลักความเชื่อทางาศาสนาแต่สิ่งที่พวกเขาพลาดก็คือไม่ได้บอกว่าการจะมีศรัทธานั้นทาอย่างไรพวกเขาไม่ได้บอกให้รู้ว่า ศรัทธาเป็นสภาวะจิตใจที่สร้างขึ้นมาได้โดยการเสนอแนะตนเองหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายถึงหลักการเพิ่มศักยภาพในตัวคุณเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยศรัทธาซึ่งเดิมเราไม่ได้มีมาก่อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นคุณควรจะถูกย้ำเตือนอีกครั้งว่าศรัทธาเป็นน้ำทิพย์อมตะที่ให้ชีวิตให้พลัง และให้ผลในทางปฏิบัติแก่พลังความคิดข้อความข้างบนนี้มีคุณค่าในการอ่านซ้ำสองครั้งสามครั้งและสี่ครั้งมันยิ่งมีคุณค่าถ้าอ่านออกมาดังๆศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งร่ำรวยศรัทธาเป็นพื้นฐานของความมหัศจรรย์และความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายด้วยกฎทางวิทยาศาศสตร์ศรัทธา เป็นภูมิต้านทานความล้มเหลวเพียงอย่างเดียวที่เรารู้จักศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญในการผสมผสานกับปณิธานเพื่อทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลได้ศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญในการแปลเปลี่ยนขึ้นความคิดที่สร้างสรรค์จากจิตใจให้เข้าไปสู่จิตวิญ ญ, ญาณศรัทธา เป็นวิธีทางเดียวที่จะควบคุมอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลและนำไปใช้ประโยชน์ความหาจา์แห่งการเสนอแนะตนเองเป็นความจริงที่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามที่คุณย้ำซ้ำๆกับตัวเองไม่ว่าข้อความนั้นจะจริงหรือไม่ถ้าคุณโกหกซ้ำไปซ้ำมาในที่สุดคุณจะยอมรับคำโกหกนั้นว่าเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านั้นคุณจะเชื่อว่ามันเป็นความจริงคุณเป็นในสิ่งที่คุณเป็น เพราะว่าความคิดหลักได้เข้าไปครอบงมจิตใจของคุณความคิดที่คุณเจตนาใส่เข้าไปในจิตใจนั้นเมื่อได้ผสมผสานกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมจะสามารถสร้างแรงจูงใจอันจะไปชี้นำควบคุมทุกๆ ก, กิจกรรมและการกระทำของคุณข้อความต่อไปนี้เป็นข้อที่จริงที่สำคัญมากความคิดที่ถูกผสมผสานด้วยอารมณ์และความรู้สึกจะกลายเป็นพลัง ดึงดูดความคิดอื่นๆที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันเข้ามาความคิดที่มีพลังดึงดูดอารมณ์อื่นๆเข้ามาอาจเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อถูกปลูกฝังเข้าไปในดินอันอุดมสมบูรณ์มันจะเจริญเติบโตงอกงามและแบ่งตัวขยายออกไปเรื่อยๆจากเดิมที่เป็นเพียงหนึ่งเมล็ดพันธุ์จนกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แบบเดียวกันนับล้าน ใจิตใจคนเรานั้นจะดึงดูดคลื่นที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในใ จ, ใจิตใจดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดไอเดียแผนการหรือเป้าหมายที่อยู่ในใจิตใจของคุณจะดึงดูดสิ่งซึ่งสัมพันธ์กันมันอาจเข้าไปอยู่ในจิตใจแล ะ, จะเจริญเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นแรงจูงใจหลักในจิตใจของคุณถึงตอนนั้นให้เราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่า เราจะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งไอเดียแผนการและเป้าหมายแรกลงไปในจิตใจได้อย่างไรคำตอบก็คือไอเดียแผนการหรือเป้าหมายนั้นจะเข้าไปอยู่ในจิตใจผ่านการคิดที่ซ้ำๆนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องเขียนข้อความของเป้าหมายและ ว, วัตถุประสงค์หลักออกมาแล้วจดจำไว้แล้วพูดออกมาดังๆวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเสียงนั้น ดังเข้าไปในจิตใจของคุณคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณคิดเนื่องจากความคิดหลักที่คุณได้ยินยอมให้เข้ามาครอบงำจิตใจถ้าคุณคว้างสิ่งเลวร้ายจากอดีตที่อยู่ในจิตใจทิ้งไปคุณก็จะสามารถสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่คุณต้องการในการที่จะสร้างสรรสินทรัพย์ในจิตใจคุณจะค้นพบว่าจุดอ่อนที่สาคัญก็คือขาดความมั่นใจในตัวเอง คุณสามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้และแปลเปลี่ยนไปเป็นความกล้าหาญผ่านหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองคุณสามารถทำได้โดยการเขียนข้อความง่ายๆที่เป็นความคิดในแง่ดีออกมาจำข้อความนั้นไว้แล้วคิดซ้ำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของผู้ซึ่งใช้เป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเอาชนะความไม่เชื่อมั่นในตัวเอง สูตรสร้างความมั่นใจในตัวเอง 1. ฉันรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตดังนั้นฉันต้องแน่วแน่และพากเพียรพยายามเพื่อให้ได้สิ่งนั้นขอสัญญาว่าจะทำให้ได้ 2. ฉันตระหนักในความคิดหลักของจิตใจที่จะแสดงพลังออกมาโดยการแปลเปลี่ยนตัวมันเองไปสู่ความเป็นจริงดังนั้นฉันจะจดจ่ออยู่กับความคิดของตัวเอง วันละ3าินาทีเพื่อสร้างมโนภาพถึงคนที่ฉันตั้งใจจะเป็นฉันจะใช้วิธีนี้เพื่อสร้างภาพในจิตใจขึ้นมา 3. ด้วยหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองฉันรู้ดีว่าปณิธานที่แน่วแน่ในจิตใจจะบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ดังนั้นฉันจะอุทิศเวลาวันละสิบนาทีเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองสี่ ฉันได้เขียนรายละเอียดของเป้าหมายหลักในชีวิตและจะพยายามอย่างไม่ลดละจนกว่าฉันจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมาย 5. ฉันตระหนักดีว่าไม่มีความมั่งคั่งหรือตำแหน่งหน้าที่ใดจะคงอยู่ได้นานหากเราไม่สร้างมันขึ้นมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดังนั้นฉันจะไม่ทำธุรกิจที่ขัดผลประโยชน์ของผู้อื่นฉันจะต้องประสบความสำเร็จ ด้วยพลังของตัวเองและอาศัยความร่วมมือของผู้อื่นฉันจะชักชวนให้ผู้อื่นช่วยเหลือเนื่องจากฉันก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นฉันจะขจัดความเกลียดชังอิจฉาริษยาเห็นแก่ตัวและการเย่ะเยยผู้อื่นด้วยการสร้างสรรค์ความรักต่อมวลมนุษย์โลกเพราะฉันรู้ดีว่าทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้อื่นจะทาให้ฉันไม่ประสบความสาเร็จฉันจะสร้างความน่าเชื่อถือ ให้ผู้อื่นเพราะฉันเชื่อมั่นในตัวเองและผู้อื่นฉันจะเซ็นชื่อไว้ในสูตรสำเร็จนี้ผูกมัดด้วยการจดจำและพูดออกมาซ้ำๆทุกวันโดยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในใจเพื่อนาพาความคิดและการกระทาให้ฉันกลายเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองและประสบความสำเร็จในที่สุดเบื้องหลังสูตรสำเร็จนี้ก็คือกฎธรรมชาติที่นักจิตวิทยาเรียกว่า การเสนอแนะตัวเองหรือการแนะนําตัวเองมันเป็นเทคนิคที่ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าใช้อย่างสร้างสารรค์จะสร้างความสําเร็จให้เราได้ในอีกมุมหนึ่งถ้าใช้อย่างไม่สร้างสารรค์มันก็จะมีผลทําลายล้างทันทีข้อความนี้เป็นจริงสําหรับคนที่ล้มเหลวลงเ อ, อยด้วยความยากจนสิ้นหวังและเครียดพวกเขาเป็นเช่นนี้ก็เพราะการใช้การเสนอแนะตัวเองในเชิงลบ พลังความคิดทุกอย่างมีแนวโน้มที่จะแปลเปลี่ยนไปสู่ความเป็นจริงไฮยนะของความคิดเชิงลบเจตใต้สำนึกไม่แยกแยะระหว่างความคิดที่สร้างสรรและทำลายล้างมันจะทำงานตามสิ่งที่เราใส่ให้มันซึ่งก็คือความคิดนั่นเองเจตใต้สำนึกจะแปลเปลี่ยนความคิดที่เจือปนด้วยความกลัวไปสู่ความเป็นจริงและจะแปลเปลี่ยนความคิดที่แฝงไว้ด้วยกล้าหาญหรือศรัทธา ไปสู่ความจริงด้วยเช่นกันเหมือนกระแสะไฟฟ้าที่เดินเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดวิธีเครื่องจักรอาจพังพินาศเช่นเดียวกันกับกฎแห่งการเสนอแนะตัวเองซึ่งจะนำสันติสุขและความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้คุณหรือนำคุณไปสู่ความล้มเหลวสิ้นหวังและหมดสิ้นทุกอย่างก็ได้ ทั้งหมดนี้ขึ้นกับความรู้ความเข้าใจและการรู้จักนํามันไปใช้ถ้าจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสงสัยและไม่เชื่อมัน่นในความสามารถของตัวเองในการนำเอาพลังอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมาใช้คุณก็จะไม่สามารถใช้พลังนั้นได้กฎของการเสนอแนะตัวเองจะนำพาความไม่เชื่อและความสงสัยนั้นให้จิตใต้สานึก แปลเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจริงบทวิจารณ์เมื่อคุณมีศรัทธาในความสามารถของตัวเองในการที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการแล้วจะไม่เป็นเพียงการปลูกฝังไอเดียดีๆเข้าไปยังจิตใต้สำนึกเท่านั้นแต่ยังเป็นการให้แรงเสริมตัวมันเองอีกด้วยนอกจากคุณต้องมีศรัทธาในศักยภาพของตัวเองแล้วจะต้องมีศรัทธาในอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลด้วยจิตสานึกของคุณ ย่อมจะไม่ต่อต้านเพราะตัวคุณเองมีศรัทธาว่ามันจะได้ผลเมื่อจิตสํานึกไม่ต่อต้านจิตใต้สํานึกก็สามารถจะส่งความคิดสร้างสารรค์ไปยังจิตสํานึกได้ง่ายขึ้นยิ่งคุณได้เห็นว่าชีวิตของตัวคุณเองมีพลังมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งง่ายขึ้นที่จะมีศรัทธาในโอกาสครั้งต่อๆไปสําหรับคุณแล้วจะได้ผลหรือไม่คุณไม่มีวันรู้เว้นแต่ว่าจะผ่อนคลายการต่อต้าน แล้วสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเท่านั้นจบบทวิจาร์เหมือนกระแสลมที่พัดพาเรือลำหนึ่งไปทางตะวันออกแต่พัดพาเรืออีกลาไปตะวันตกกฎแห่งการเสนอแนะตัวเองนั้นจะยกระดับคุณขึ้นหรือหลงก็ได้ซึ่งเป็นไปตามวิถีความคิดของคุณกฎแห่งการเสนอแนะตัวเองทำให้บางคนยกระดับตัวเองไปสู่ความสาเร็จได้เหมือนอย่างที่บทกวีนี้ได้พรรณนาไว โปรดสังเกตการใช้ถ้อยคำแล้วคุณจะเข้าใจความหมายลึกซึ้งถ้าคุณคิดว่าคุณล้มเหลวคุณก็จะเป็นตามนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้าคุณก็จะไม่กล้าถ้าคุณอยากจะชนะแต่กลับคิดว่าตัวเองไม่สามารถชนะได้ก็ค่อนข้างแน่นอนว่าคุณจะไม่ชนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะพ่ายแพ้คุณก็แพ้เนื้อสิ่งอื่นใดที่เราค้นพบ ความสําเร็จเริ่มต้นจากความตั้งใจและทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในใจของเรานี่เองถ้าคุณคิดว่าตัวเองเหนือชั้นคุณก็เป็นเช่นนั้นคุณต้องคิดให้ไกลไปให้ถึงคุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนจึงจะได้รับรางวัลแห่งความสําเร็จสงครามชีวิตไม่ได้มุ่งสู่ผู้ที่เข้มแข็งกว่าและรวดเร็วกว่าเสมอไปเพราะไม่ช้าก็เร็วผู้ชนะที่แท้จริงก็คือ คนที่คิดว่าเขาทำได้บทวิจารณ์ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในตอนต้นของบทนี้ความหมายของศรัท ธ, ธาที่นปโปเลียนฮิวต้องการใช้นั้นไม่ได้หมายความตามแง่คิดของาศาสนาแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ที่ฮิวจะเขียนบทนี้ได้โดยปราศจากพื้นฐานแห่งศรัท ธ, ธาในาศาสนาดังนั้นจะเห็นได้จากข้อความต่อไปเมื่อฮิวได้พูดถึงพระเยซูคริสต์และมหาสมักคารที ว่าเป็นตัวอย่างของพลังแห่งศรัทธ า, าหมายถึงศรัทธาที่มีต่อท่านเหล่านี้ความมั่นใจและเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทรงสแสดงความเชื่อมั่นในเหตุและผลของกานทีคือการผสมผสานพลังความคิดด้วยศรัทธาจบบทวิจารณ์ถ้าคุณปรารถนาพลังแห่งศรัทธานี้จงเรียนรู้จากผู้ที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและประสบความสําเร็จพื้นฐานของคริสเตียนคือความเชื่อ อาจมีผู้คนมากมายเข้าใจพลังอันยิ่งใหญ่ผิดไปแต่มหาสารย์แห่งคําสอนและความสําเร็จของพระคริสต์นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าศรัทธาถ้ามีปรากฏการแห่งความอาัศจรรย์แก่จิตใจก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากศรัทธาทั้งสิน้นมหาตามะคาน์ทีของอินเดียเป็นหนึ่งในตัวอย่างอันน่าอาัศจรรย์ของศรัทธาคาน์ทีใช้พลังอํานาจได้มากกว่าผู้ใดในยุคสมัยเดียวกันและเขามีพลังอํานาจ ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่มีเครื่องมือแห่งอํานาจเหมือนคนทั่วๆไปเช่นเงินทองอาวุธกําลังทหารและยุทธปัจจัยขานทีไม่มีเงินไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่จะสวมใส่แต่เขามีพลังพลังอํานาจของเขามาจากไหนกันเขาสร้างสารมันมาจากความเข้าใจในหลักการแห่งศรัทธาและผ่านศักยภาพของเขาในการที่จะปลูกฝังศรัทธานั้นเข้าไปในจิตใจของผู้คนสองรอยล้านคน ทานทีสร้างศรัทธาที่น่าอัศจรรย์ทำให้คน200ล้านคนรวมตัวกันและขับเคลื่อนไปสู่ชาติด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะมีพลังอื่นใดในโลกทำเช่นนี้ได้นอกจากศรัทธาไอเดียสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรบทวิจารณ์แม้ว่าเรื่องราวต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องของศรัทธา ท, ทั้งหมดและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะตัวเองหรือจิตใต้สำนึกเนโปเลียนฮิล ได้นำเสนอประเด็นนี้ไว้แล้วในหนังสือคิดแล้วรวยทุกฉบับที่ตีพิมพ์ดังที่ฮิวได้กล่าวไว้ว่าเรื่องราวนี้จะสามารถอธิบายหลักการได้อย่างน้อย6ข้อจากหลักการเห็นความสำเร็จทั้งหมด13ข้อแต่ศรัทธาก็ยังคงเป็นหลักใหญ่หากชาวเอ็มชวอปไม่ได้ผสมสารความคิดอันยิ่งใหญ่เข้ากับศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วละก็ประวัติศาสตร์ของธุรกิจอเมริกันคงจะแตกต่างไปจากทุกวันนี้เป็นแน่ เหตุการณ์นี้ย้อนหลังไปในปีคิเตศกราช1900เมื่อมีการก่อตั้งบริษัทยูเนเตสเตสติลขณะที่คุณอ่านเรื่องนี้โปรดให้ความสนใจกับความจริงพื้นฐานต่อไปนี้แล้วคุณจะเข้าใจว่าไอเดียสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นความมั่งคั่งได้ยอย่างไรประการแรกบริษัทยูเนเตสเตสติลเกิดจากจิตใจของชาวเอมชวอปในรูปแบบของไอเดียที่เขาสร้างสารรค์ ผ่านจินตนาการประการที่สองเขาได้ผสมผสานศรัทธาเข้ากับไอเดียของเขาประการที่3เขาสร้างแผนการที่จะเปลี่ยนไอเดียไปสู่สินทรัพย์ที่เป็นจริงประการที่4เขานําแผนการไปลงมือปฏิบัติด้วยสุนทรพจน์อันแสนโด่งดังที่ University Club ประการที่5เขาประยุกต์และดําเนินการตามแผนด้วยความมุ่งมั่น พร้อมด้วยการตัดสินใจที่แน่วแน่จนกว่าแผนจะลุล่วงประการที่6เขาตระเตรียมหนทางสู่ความสำเร็จด้วยปณิธานอันแรงกล้าถ้ามีใครสักคนสงสัยว่าการสร้างสรรค์โชคชะตาอันรุ่งโรดทำได้อย่างไรเรื่องราวก่อตั้งบริษัทยูเนเตสเตสติลจะช่วยไขยปริศนานั้นและถ้าคุณสงสัยว่าคนคนหนึ่งสามารถคิดแล้วรวยได้อย่างไร เรื่องราวนี้จะทำให้คุณหายสงสัยเรื่องราวของบริษัท United States Steel จะทำให้คุณเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้หลักการที่ได้พูดคุยในหนังสือเล่มนี้ผู้ที่บอกเล่าพลังอันน่าอัศจรรย์ของไอเดียนี้คือ John Lowell แห่ง New York World Telegram ซึ่งได้อนุญาตให้ตีพิมพ์บทความลงในหนังสือเล่มนี้บทวิจารณ์เพื่อให้ผู้อ่านยุคปัจจุบัน เข้าใจบทความในหนังสือพิมพ์นี้ดีขึ้นมีความจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคคลหลักๆซร่งก่อนชาวเอ็มชวอคือมือขวาของแอนดรูวคา e ์เกี้และในเวลาต่อมาได้เป็นประธานกรรมการบริษัทคาร์เกี้สติลส่วนแอนดรูวคา e ์เกี้เป็นนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีเป็นเจ้าพ่อแห่งวงการเหล็กกล้าโดยบริษัทของเขามีส่วนแบ่งคิดเป็น 25% ของการผลิตเหล็กในสหรัฐอเมริกา J.P. พ o ม g a n แกนเป็นนักการเงินการธนาคารแห่งวอ l l ์ t ต e ี t ผู้มังค่างร่ำรวยและทรงอิทธิพลบริษัทของเขาได้ให้บริการทางการเงินแก่บริษัทอุตสาหกรรมในอเมริกาตั้งแต่ช่วงต้นของศตวรรษที่20ผู้อ่านทุกท่านต้องทราบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงอยู่ในช่วงต้นของศตวรรษที่20ินั้นทั้งการเงินธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่ในมือของคนเพียงสองสคนเท่านั้น ซึ่งเกือบทั้งหมดสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยผ่านเส้นทางรถไฟที่ช่วยเปิดเส้นทางคมนาคมในประเทศผู้คนเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มผู้อ่านนิวยอร์กเวิลด์เทเลกรมเนื่องจากอิทธิพลทางการเงินของพวกเขาเรื่องราวเหล่านี้มักปรากฏเป็นหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาและความคิด ทั้งยังเป็นตัวอย่างของแนวการเขียนหนังสือที่ดีเยี่ยมจนนักหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้นำไปใช้อีกด้วยจบบทวิจารณ์สุนทรพจน์มูลค่าพันล้านดอลลาร์ค่ำวันที่12ธันวาคมปีคิตศกราช1900ผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินระดับประเทศ80คนได้มาอยู่ร่วมกันในงานจัดเลี้ยงของ University Club เพื่อเป็นเกียรติแก่ชายหนุ่มผู้หนึ่ง จากฝั่งตะวันตกมีแขกในงานไม่กี่คนที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นพยานแห่งความสำเร็จของประวัติศ า, ศาสตร์อุตสาหกรรมอเมริกาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียง University Club เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ด้านเหนือสุดของถนนสายที่5เกาะแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กก่อตั้งในปีคิศารา1865โดยกลุ่มคนที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆเพื่อสารความสัมพันธ์ หลังจบการศึกษาต่อมาใช้เพื่อแสดงงานศิลปะและเป็นที่ประชุมสังสรรค์เฉพาะสมาชิกซึ่งมักเป็นเศรษฐีและบุคคลที่มีชื่อเสียงปัจจุบันจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของสหรัฐอเมริกาจบข้อมูลผู้เรียบเรียงเจเอ็ดเวิร์ดซิมอนและชาลส์จูเอร์สมิธรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณชาวเอ็มชวบเป็นอย่างมากพวกเขาได้พบปะกับชวบที่พิสเบิร์ก จึงได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็นนี้ขึ้นเพื่อแนะนำตัวชวบนักอุตสาหกรรมเหล็กวัย38ปีให้กับสมาคมธนาคารฝั่งตะวันออกพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเรื่องตื่นเต้นอะไรในงานนี้ความจริงแล้วผู้คนชาวนิวยอร์กที่อยู่ในงานไม่ค่อยสนใจกับเรื่องศิล ป, ปะการพูดเท่าใด น, นักหากไม่ต้องการให้แขกในงานเช่นตระกูลสติลแบนเฮอริแมนและแวนด์บิลเบอ์ เขาก็ควรจะจำกัดคำพูดเพียง15ห้าถึง20นาทีเท่านั้นแล้วปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปตามปกติแม้แต่จอร์นเปียปองมอร์แกนซึ่งนั่งอยู่ด้านขวาของชวบก็เพียงแต่กล่าวขอบคุณสั้นๆเท่านั้นจนทำให้สื่อมวลชนที่ไปทำข่าวกังวลว่าวันพรุ่งนี้อาจไม่มีข่าวไปลงตีพิมพ์ดังนั้นเจ้าภาพทั้งสองและแขกพิเศษจึงนั่งรับประทานอาหารไป โดยสนทนากันเพียงเล็กน้อยและเป็นเรื่องทั่วๆไปมีนายธนาคารและในหน้าซื้อขายไม่กี่คนที่เคยพบกับชวบผู้ซึ่งดำเนินธุรกิจกับธนาคารมอนอนกาเฮลาไม่ค่อยมีใครรู้จักมักคุ้นกับเขาแต่ก่อนที่ค่ำคืนนั้นจะผ่านไปพวกเขาทุกคนรวมไปถึงเจ้าพ่อวงการเงินมอร์แกนต่างก็ถูกชักชวนให้หลงไหลและแล้วเด็กหนุ่มพันล้านแห่งบริษัทยูเนเตสเตสตล ก็ได้แจ้งเกิดขึ้นในงานนี้นี่เองโชคไม่ดีนักที่ไม่มีการบันทึกสุนทรพจน์ของชาวชวอบในค่ำคืนนั้นอย่างไรก็ตามมันเป็นสุนทรพจน์ง่ายๆที่สำนวนอาจไม่ดีนักชวบไม่ค่อยใส่ใจกับการพิธีพิถันในการใช้ภาษามากนักแต่เต็มไปด้วยคำคมและมีพลังกระตุน้นจนมีผลทาให้เกิดการรวบรวมเงินไดถึง 5,000 ล้านดอลลาร์หลังจากงานเลี้ยงสิ้นสุดลง การระดมเงินก็ยังมีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าชวบจะพูดนานถึง90นาทีมอแกนยังได้ขอพูดคุยนอกรอบต่ออีกเป็นชั่วโมงมหัศจรรย์แห่งบุคลิกภาพของชวบได้เป็นที่ประจับและทรงพลังอย่างยิ่งแต่เหนือสิ่งอื่นใดโครงการที่ชัดเจนในการเพิ่มพูนมูลค่าของเหล็กกล้ามีคนมากมายพยายามทาให้มอแกนสนใจในการผูกขาดกิจการค้าเหล็กกล้า หลังจากได้ผูกขาดกิจการต่างๆไปแล้วเช่นขนมปังกรอบสายโทรเลขน้ำตาลอย่างวิสกี้น้ำมันและหมักฝรั่งบทวิจารณ์ในพจนานุกรม Random House College ได้จำกัดความคำว่าระบบผูกขาดทางการค้าไว้ว่าคือการรวบรวมบริษัทอุตสาหกรรมหรือธุรกิจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถูกจัดการโดยคณะกรรมการผู้บริหารจากส่วนกลางเพื่อควบคุมราคาและผูกขาดโดยไม่มีการแข่งขันบริษัทอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากได้ขยายกิจการอย่างรวดเร็วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้บริษัทเหล่านี้แบกรับหนี้มหาศาลสร้างความเสียหายทางการเงินจากการขยายตัวที่รวดเร็วเกินไปในขณะเดียวกัน บริษัทเหล่านี้ก็ต้องเผชิญกับการลดต้นทุนและลดราคาหรือไม่ก็ปิดกิจการไปเลยทางออกของหลายๆบริษัทก็คือควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการผูกขาดทางการค้าหรือการควบรวมกิจการเนื่องจากมีการผ่านกฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้าเชอร์แมนออกมา ในปีคิเตศกัราช1890ซึ่งทำให้การผูกขาดทางการค้าผิดกฎหมายแต่ถึงกระนั้นบริษัท ต, ต่างๆก็ยังคงพยายามที่จะหาทางผูกขาดอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียวแม้ว่าความพยายามนี้ไม่ใช่การผูกขาดที่ชัดเจนแต่ก็เป็นอะไรที่ใกล้เคียงมากสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการผูกขาดทางการค้าก็คือเงินสด เพื่อซื้อกิจาการของบริษัทเล็กๆแล้วเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในอุตสาหกรรมนั้นเจพีมอร์แกนเป็นนายธนาคารซึ่งเข้าครอบครองกิจาการมากมายจบบทวิจารณ์จอห์นดับเบิลยูเกตเป็นนักเก่งกำไรซึ่งสนใจเรื่องการควบรวมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าแต่มอร์แกนไม่ค่อยไว้ใจเขาส่วนพี่น้องตระกูลมัวบิลและจิมนักคาหุ้นแห่งชิคาโก ซึ่งเคยรวบรวมกิจาการบริษัทขนมปังกรอบก็สนใจเช่นกันแต่ในที่สุดก็ล้มเหลวส่วนอันเบิร์ตเอชแกลีนักกฎหมายระดับประเทศก็สนใจแต่กิจาการของเขาไม่ใหญ่พอที่จะดำเนินการได้จนกระทั่งสุนทรพน์ของชวอบนี่เองที่ทำให้เจพีมอร์แกนมองเห็นภาพการทำธุรกิจทางการเงินอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนถึงแม้ว่าโครงการนี้ดูเหมือนเป็นความเพ้อฝันก็ตาม การระดมเงินทุนซึ่งได้เริ่มต้นมาเกือบหนึ่งชั่วอายุคนแล้วได้ดึงดูดบริษัทขนาดเล็กนับพันที่มีปัญหาการบริหารจัดการเข้ามารวมกันเป็นบริษัทใหญ่ที่มีศักยภาพมากขึ้นนักธุรกิจเจ้าเล่ห์จอห์นดบเยูเกตได้เข้าสู่สงครามการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าด้วยการก่อตั้งบริษัทอเมริกันตีแอนวและยังได้ร่วมกับ Morgan, มอแกนสร้างบริษัทเฟเดรลตลอีกด้วย ส่วนทางด้านของแอนดรูว์คานิกีก็มีการควบรวมกิจการที่ใหญ่ขึ้นโดยการรวมหุ้นส่วนธุรกิจทั้งสิ้น53บริษัทยังมีบริษัทอื่นๆที่ควบรวมกิจการอีกแต่เป็นบริษัทเล็กๆและไม่มีความสำคัญบริษัทเล็กๆเหล่านี้พยายามรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแต่เกือบทุกบริษัทก็ไม่สามารถทำลายองค์กรขนาดใหญ่ของคานก้ได้เรื่องนี้มอร์แกนก็รู้ดีและคานกก็รู้เช่นกัน บทวิจารณ์แอนดรูว์คเนกี้ Carnegie, เกิดในประเทศสกอตแลนด์นดเขาอพยพมาอยู่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่อย่างเด็กโดยอยู่ร่วมกับกลุ่มพ่อค้าที่มีชาติรลกูลเมื่อลาออกจากการทำงานในโรงไฟ้าเขาได้รับค่าตอบแทนเพียงสัปดาห์ละหนึ่งดอลลาร์่เซนต์ต่อมาก็ได้งานใหม่เป็นคนส่งโทรเลขเขาเรียนรู้รหัสโทรเลขด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เขาได้รับตาแหน่งเป็นนักโทรเลข ในเวลาต่อมาเขาได้เป็นเล ข, ขานุการของหัวหน้าเส้นทางรถไฟเพนซิลเวเนียก่อนชีวิตการทำงานของเขาที่กำลังก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพิสเบิร์กได้เกิดจุดเปลี่ยนพันคือเขาได้ไปร่วมลงทุนในบริษัทพูแมนซึ่งได้กลายเป็นผู้นำในการผลิตรถที่ใช้บนรางรถไฟการลงทุนในบริษัทพูแมนของคเนกี้ ร่วมกับความสำเร็จในการร่วมทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำให้เขามีเงินทุนพอที่จะเข้าสู่ธุรกิจของตัวเองหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองคานิกี้จึงลาออกจากงานรถไฟและเริ่มสร้างบริษัทผลิตชิ้นส่วนสพานเหล็กสาหรับสร้างทางรถไฟจากการผลิตชิ้นส่วนสพานเหล็กนี้เองได้เป็นก้าวย่างไปสู่การเริ่มต้นโรงงานถลุงเหล็กของเขา ซึ่งชักนำให้เขาได้เข้าไปควบคุมโรงงานถลุงเหล็กอื่นๆในเวลาต่อมาก็ได้เข้าสู่ธุรกิจทําเมืองฐานหินเพื่อป้อนโรงงานในการหลอมเหล็กตามด้วยเรือขนแร่และเส้นทางรถไฟเพื่อฉุดลากเรือและฐานหินเนื่องจากคานากิทาธุรกิจแบบเชื่อมโยงกันและใช้ระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเขาจึงสามารถขายเหล็กคุณภาพดีในราคาถูกได้เขาทําให้ราคาเหล็ก ลดลงจาก140ดอลลาร์ต่อตันเหลือ20ดอลลาร์ต่อตันในปีคิต์ศักราช1899บริษัทคานิคีสติลได้ควบคุมกิจการผลิตเหล็กกล้าและอุตสาหกรรมเหล็กคิดเป็นสัดส่วน 25% ของทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาเมื่อบริษัทเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่าไม่สามารถแข่งขันกับคานิคีได้พวกเขาจึงขอให้เจ m o ม g a n แกนช่วยเหลือเขาได้ให้สินเชื่อ และทําให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจขึ้นในกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเหล็กโดยมีการเจรจาตกลงกันว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่ซื้อเหล็กจากคาร์เนกีแอนดรูคาร์เกีไม่ได้ต้องการทําลายธุรกิจโดยการควบรวมกิจการบริษัทเล็กๆเกขาประกาศว่าจะซื้อกิจการหรือสร้างบริษัทของตัวเองเพียงเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่ทําจากเหล็กเท่านั้นจบบทวิจารณ์ ด้วยวิสัยทัศน์อันสูงส่งของคานิคีครั้งแรกดูเหมือนเป็นเรื่องดีแต่ต่อมากลับกลายเป็นความแค้นเคืองกลุ่มบริษัทเล็กๆของมอร์แกนพยายามสกัดกั้นธุรกิจของคานิคีเมื่อพยายามทำกันจนรุนแรงเกินไปอารมณ์ของคานิคีเปลี่ยนเป็นความโกรธและตอบโต้กลับไปเขาตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานเหล็กประกบกับคู่แข่งทางธุรกิจทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้านั้น เขาไม่เคยสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทลวดท่อเหล็กห่วงหรือเหล็กแผ่นเลยเขาพอใจที่จะผลิตเฉพาะเหล็กกล้าซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อให้คนอื่นนำไปแปรรูปเขาได้เริ่มทำผลิตภัณฑ์เหล็กทุกรูปแบบที่ต้องการคานิกี้ได้ร่วมกับฉวบซึ่งขณะนั้นทำงานเป็นผู้จัดการเพื่อวางแผนที่จะทำให้คู่แข่งหลังชนกาแพงดังนั้นจากศูนย์ทรพธ์ของชาวเอ็มฉวบ มอแกนจึงได้มองเห็นปัญหาในการควบรวมบริษัทอื่นๆว่าการควบรวมกิจการจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยถ้าปลาศจากคานกี้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการสุนทรพจน์ของชวบในค่าคืนของวันที่12ธันวาคมปีคิตศกาช1900ได้แสดงให้เห็นอย่างไร้ข้อสงสัยว่ามอแกนสามารถเข้าไปครอบครองอาณาจักรธุรกิจอันกว้างใหญ่ไพศาลของคานี้ได้ เขาได้พูดถึงโลกแห่งอนาคตของเหล็กการปรับปรุงองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานเหล็กที่ไม่ประสบความสำเร็จและการสร้างสินทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นการขนส่งสินแร่การบริหารจัดการและการเข้าสู่ตลาดในต่างประเทศยิ่งกว่านั้นเขายังได้พูดถึงคนที่คิดไม่ซื่อซึ่งรอจังหวะความผิดพลาดของผู้อื่นพยายามผูกขาดการค้าขายแต่เพียงผู้เดียวปั่นราคา คอยรอรับเงินปันผลชวอฟได้ประนามระบบที่ชั่วร้ายนี้นโยบายที่ไม่มีวิสัยทัศน์นี้จะไปจํากัดตลาดการค้าสวนทางกับการเรียกร้องของผู้คนที่ต้องการให้ธุรกิจทั้งหมดขยายตัวเขาเสนอว่าถ้าราคาเหล็กถูกลงตลาดการค้าเหล็กจะขยายตัวการใช้เหล็กก็จะมากขึ้นและสามารถขยายการค้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลก อาจไม่ค่อยมีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วชวอบมีหัวคิดดีมากในเรื่องการผลิตสมัยใหม่บทวิจารณ์สำหรับ JP m o ม g a n แกนทุกอย่างที่ชวอบ พ, พูดเกี่ยวกับความประหยัดจากการผลิตเป็นเรื่องเดียวกันกับการขยายตัวของตลาดจนกระทั่งถึงคืนนั้นที่พออนุมานได้ว่าแอนดรูว์คเนกี้กำลังสร้างบริษัทอุตสาหกรรมเพื่อแข่งขันกับกลุ่มบริษัทที่มอร์แกนช่วยเหลือด้านการเงิน มอแกนรู้ดีว่าสำหรับคาเนกี้แล้วการทำเช่นนั้นต้องใช้เงินทุนมหาศาลและหมอแกนก็รู้ดีว่าคาเนกี้ไม่ยอมระดมเงินด้วยการขายหุ้นของเขาออกมาแน่สิ่งที่ชวบต้องการจะสื่อก็คือแทนที่จะไปวอลสตรีทเพื่อระดมทุนมาต่อสู้กับกลุ่มคู่แข่งคาเนกี้อาจสนใจที่จะขายกิจการของเขามากกว่าจบบทวิจารณ์ดังนั้น งานเลี้ยงที่ยูน v เวอร์ซิตคลับคืนนั้นจึงได้นำมาซึ่งบทสรุปมอแกนกลับบ้านแล้วนั่งคิดเกี่ยวกับการคาดการณ์ของชวบส่วนชวบก็กลับไปพิสเบิร์กเพื่อเริ่มดำเนินธุรกิจให้คานิกกี้ต่อไปขณะที่แกรี่และคนอื่นที่เหลือกลับไปเตรียมติดตามกระดานหุ้นเวลาผ่านไปไม่นานนักมอแกนใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการพิจารณาเหตุและผลที่ชวบได้บอกไว้ เมื่อเขายืนยันกับตัวเองว่าไม่มีอุปสรรคทางการเงินสำหรับเขาแต่อย่างใดเขาจึงได้ติดต่อและขอบพบกับชวอปชวอป บ, บอกเขาไปว่าคานิกี้คงไม่พอใจนักถ้ารู้ว่าประธานกรรมการบริษัทของเขาติดต่ออย่างสนิทสนมกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งวอล l s สตรี t จอ์น W. เยเกตได้แนะนำว่าถ้าชวอปปรากฏตัวในโรงแรมเบลวูรรัฐฟิลาเดเฟียแล้วลก็ JP. พีมแกน ก็อาจไปอยู่ที่นั่นโดยบังเอิญแต่เมื่อชวอบมาถึงที่นั่นแล้วบังเอิญมอร์แกนเกิดป่วยกระทันหันอยู่ที่บ้านในนิวร์กเขาจึงได้เชิญให้ชวอบไปพบชวอบเดินทางไปนิวยอกเพื่อพบกับนักการเงินผู้ยิ่งใหญ่ที่ห้องสมุดในบ้านพักของเขาถึงตอนนี้นักประวัติศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบของละครเรื่องนี้แอนดรูว์คาเนกีเป็นคนจัดฉากทั้งหมด ตั้งแต่การกล่าวสุนทรพจน์ของชวบในงานเลี้ยงอาหารค่ำไปจนถึงการพูดคุยกับมอแกนราชาแห่งการเงินในคืนวันอาทิตย์แต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกล่าวคือเมื่อชวบถูกมอแกนเรียกมาจัด ก, การข้อตกลงให้สำเร็จผลชวบเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคาเนิคที่เขาเรียกว่านายน้อยนั้นจะสนใจรับฟังการเสนอซื้อขายครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะขายให้กับกลุ่มคนที่คาเนกี้ค่อนข้างดูแคลนชวอบตอบรับการประชุมโดยข้อความซึ่งเขียนด้วยลายมือถึงหกหน้ากระดาษบรรยายถึงศักยภาพของบริษัทเหล็กแต่ละแห่งที่เขาระบุว่าเป็นดาวรุง่งทั้งสี่คนได้ไต่ตรองเรื่องนี้ตลอดคืนแน่นอนว่าผู้นำการพูดคุยคือมอร์แกนผู้ซึ่งมีความเชื่อว่าเงินคือพระเจ้าคนที่นั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆ ก, กับเขาคือหุ้นส่วนธุรกิจ มีระดับโรเบิร์ตเบคอนคนที่สามคือจอห์นดับเบิลยูเกตผู้ซึ่งมองแกนดูมินว่าเป็นพวกเก่งกำไรแต่ก็ใช้เขาเป็นลูกมือคนที่สี่คือชวอฟผู้รอบรู้เรื่องการผลิตและการขายเหล็กมากกว่าใครทั้งหมดตลอดการประชุมนั้นไม่มีใครติดใจสงสัยในข้อมูลของชวอฟถ้าเขาบอกว่าบริษัทไหนคุ้มค่ากับการลงทุนมันก็เป็นไปตามนั้นนอกจากนี้เขายังยืนยนัน ให้ควบรวมกิจาการเฉพาะบริษัทที่เขาเสนอมาเท่านั้นเขานำเสนอแต่บริษัทใหญ่ๆที่จะไม่มีการแยกกันอีกต่อไปและไม่เอาใจกลุ่มเพื่อนของมอร์แกนซึ่งโลภมากต้องการโยนบริษัทตัวเองให้มอร์แกนรับผิดชอบภาระทางการเงินเมื่อรุ่งอรุณมาถึงมอร์แกนลุกขึ้นยืนถามคำถามเดียวที่ยังเหลืออยู่เขาถามชวอว่าคุณคิดว่าคุณสามารถโน้มน้าวใหแอนดรูคเนกี้ แต่สินใจขายกิจการได้หรือไม่ผมจะลองดูชวับตอบถ้าคุณทำให้เขายอมขายผมจะตกลงตามที่คุณเสนอมอแกนกล่าวเท่านี้ก็น่าพอใจแต่คาเนกี้จะขายเท่าไหร่เขาต้องการเงินเท่าไหร่ชวับคิดไว้ประมาณส2 0รยสิบล้านดอลลาร์เงื่อนไขของการจ่ายจะเป็นอย่างไรหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิพันธบัตรหรือเงินสด แน่นอนว่าไม่มีใครจ่ายเงินมากขนาดนั้นด้วยเงินสดได้ในการแข่งขันกอล์ฟที่สนามในเซนต์แอนดรูเมืองเวสต์เชสเตอร์คานิกี้สวมเสื้อหนาวและชาลีก็ยังคงพูดไม่หยุดเหมือนเคยแต่ไม่มีการพูดคุยเรื่องธุรกิจจนกระทั่งได้นั่งคุยกันในเรือนรับรองของคานกิกี้เช่นเดียวกับที่ได้เกลี้ยกล่อมให้มหาเศรษฐี80คนที่ยูนิเวอร์ซิตี้คลับเคิบเคล้มมาแล้วชวบให้สัญญากับคานิกี้ ถึงช่วงเกษียณอายุแสนสบายด้วยเงินหลายล้านเพื่อให้เขาพอใจในที่สุดคานิกี้ก็ยินยอมเขาเขียนตัวเลขใส่เศษกระดาษยื่นส่งให้ชวอบและพูดว่าเอาละ่ะนั่นคือราคาที่เราจะขายตัวเลขนั้นประมาณ400ล้านดอลลาร์มันใกล้เคียงกับที่ชวอบเคยกำหนดไว้คือ320ล้านดอลลาร์และเพิ่มให้อีก80ล้านดอลลาร์ สำหรับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในสองปีที่ผ่านมาต่อมาบนดาดฟ้าเรือทานแอตแลนติกคาเนกิกกล่าวกับมอร์แกนว่าผมคิดว่าผมต้องการเงินเพิ่มอีกหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์ถ้าคุณขอมาผมก็ให้มอร์แกนตอบกลับอย่างอารมณ์ดีเมื่อผู้สื่อข่าวชาวอังกฤษได้รับโทรเลขว่าบริษัทเหลกระดับโลกในต่างประเทศมีการควบรวมกิจการกันย่อมกลายเป็นข่าวใหญ่อย่างแน่นอน ประธานเฮดเลแห่งเยลถึงกับประกาศว่าในรอบ25ปีจากนี้ไปจะไม่มีการควบรวมกิจการยิ่งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นให้เห็นอีกคีนนักค้าหุ้นรีบกลับไปทำงานของเขาคือนำหุ้นตัวใหม่ให้สาธารณชนรับรู้ถึงเงินทุนอันมหาศาลเกือบ600ล้านดอลลาร์คารนกี้ได้เงินล้านของเขา หมอแกนได้62ล้านดอลลาร์สำหรับความพยายามครั้งนี้รวมไปถึงเกตและแกรี่ก็ได้เงินล้านเช่นกันบทวิจารณ์ชาวเอ็มชวอปวัย38ปีก็ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จครั้งนี้ด้วยเขาได้รับตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทใหม่ยูเนเตสติลและอยู่ในตำแหน่งแห่งนี้จนถึงปีคิตศักราร1930าเมื่อชวอปออกจากเอสติเขาก็ไปก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการบริษัทบริษัทแมมมอตเบดเลแฮมสติลจบบทวิจารณ์ความร่ำรวยเริ่มจากความคิดเรื่องราวของธุรกิจใหญ่ที่คุณได้อ่านจบไปแล้วนั้นเป็นการอธิบายได้อย่างดีถึงวิธีที่จะเปลี่ยนปณิธานไปสู่ผลในทางปฏิบัติองค์กรยักษ์ใหญ่นั้นเกิดจากจิตใจของคนเพียงคนเดียวการวางแผนให้องค์กรอุตสาหกรรมเหล็กกล้า มีความมั่นคงทางการเงินก็คือจากการสร้างสารรค์ของคนคนเดียวกันศรัทธาปณิธานจินตนาการและความมุ่งมั่นของเขาอันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการถือกำเนิดของยูน s t เ t สเตสติ l มูลค่าการซื้อขายโรงงานถลุงเหล็กและอุปกรณ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายนี้ดูสมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนก็พบว่า การประเมินสินทรัพย์ของบริษัทนั้นมูลค่าของมันได้เพิ่มขึ้นถึง600ล้านดอลลาร์ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์นี้ก็เนื่องมาจากการบริหารจัดการเพื่อรวบรวมธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองไอเดียของชาวเอ็มชวอปรวมกับศรัทธาที่ถูกส่งผ่านเข้าไปสู่จิตใจของเจพีมอร์แกนและคนอื่น กลายเป็นผลกําไรถึง600ล้านดอลลาร์ผลกําไรนี้มาจากความคิดอย่างเดียวเท่านั้นบริษัทยูเนเตสติลเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นบริษัทที่ร่มรวยและยิ่งใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาจ้างงานคนนับพันคนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเปิดตลาดการค้าเพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงผลกาไร600ล้านดอลลาร์ ชวอปใช้ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาความร่ำรวยเริ่มต้นมาจากความคิดส่วนจะได้มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นกับความคิดในจิตใจของแต่ละคนที่จะนำไปลงมือปฏิบัติศรัทธาจะทำลายอุปสรรคต่างๆจงจำไว้ว่าเมื่อคุณพร้อมที่จะเดิมพันด้วยชีวิตเพื่อสิ่งที่คุณต้องการรางวัลแห่งความสาเร็จจะรอคุณอยู่บทวิจารณ์ในช่วงหลายปี ก่อนที่มีการลงบทความนั้นในนิว y o กเวิลด์เทเลกร a มเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่ได้กลายเป็นหัวเรื่องประเภทหนึ่งของแวดวงการพิมพ์หนังสือมีหนังสือขายดีและอัตตะชีวประวัติเกี่ยวกับนักธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายผู้เขียนหนังสือคิดแล้วรวยเล่มนี้จึงอยากนาเสนอหนังสือเหล่านี้ให้ท่านผู้อ่านพิจารณาทั้งเพื่อความบันเทิง และช่วยสร้างแรงบันดาลใจตัวอย่างเช่น Hills Principle of Success หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยไอเดียและเทคนิคดีๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยมีหนังสือขายดีที่ตีพิมพ์ออกมามากมายผู้เขียนอยากนำเสนอหนังสือที่ดีไว้ในที่นี้ซึ่งไม่จาเป็นต้องดีที่สุดแต่ต้องสามารถดึงความสนใจของผู้คนให้เลือกอ่าน มีหนังสือสองเล่มที่ผู้เขียนขอแนะนำคือ In Search of Excellence โดยท o m p e เ e r และ Breakthrough โดย P.R. Nayak นยและ John M. เอ t มแคทเธอรหนังสือนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่หลากหลายและวิเคราะห์เจาะลึกแต่และอุตสาหกรรมหนังสือสองเล่มนี้ตีพิมพ์ในปีคิศัก .1980 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของหนังสือธุรกิจอย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นก็มีหนังสืออีกสองสาเเล่มที่ให้ความสำคัญกับศรัทธาและความคิดดีๆผู้เชี่ยวชาญเลือกหนังสือ Inserts of Excellence ก็เพราะเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่านมากที่สุดในรอบ20ปีที่ผ่านมาเป็นหนังสือที่ขายดีมากเล่มหนึ่งและกำลังจะตีพิมพ์ใหม่ในอีกไม่กี่ปีนี้หนังสือ Breakthrough อาจจะหายากแต่คุ้มค่ายอย่างมากในการอา่านจบบทวิจารณ์ คนที่ยอมแพ้ไม่เคยชนะและผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้จบบทที่4บทที่หการเสนอแนะตัวเองสื่อกลางในการชักจูงจิตใต้สำนึกขั้นตอนที่สมสู่ความร่ำรวยการเสนอแนะตัวเองเป็นคำซึ่งหมายถึงการแนะนำทุกชนิดรวมไปถึงสิ่งเร้าทุกอย่างที่กระตุ้นจิตใจของเรา ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าการเสนอแนะตนเองเป็นการให้คำแนะนำแก่ตัวเองมันเป็นช่องทางที่ทำให้ความคิดจากจิตสำนึกสามารถจะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้มันทำงานผ่านความคิดที่อยู่ในจิตสำนึกของเราไม่ว่ามันจะเป็นความคิดเชิงบวกหรือลบก็ตามหลักการของการเสนอแนะตัวเองจะซึมซับ และเข้าไปมีผลต่อจิตใต้สํานึกธรรมชาติได้สร้างให้มนุษย์มีความสามารถในการควบคุมสิ่งที่เข้ามาในจิตใต้สํานึกของเราผ่านประสาสัมผัสทั้งห้าอย่างไรก็ตามเรามักไม่ได้ฝึกฝนความสามารถในการควบคุมนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้คนมากมายจึงนําพาชีวิตตัวเองไปสู่ความยากจนโปรดทบทวนสิ่งที่ผมเคยพูดไว้เกี่ยวกับจิตใต้สํานึกว่า เปรียบเสมือนสวนอันอุดมสมบูรณ์ถ้าหากเมล็ดพันธุ์พืชไม่ได้ถูกหว่านลงไปหญ้าจะเจริญเติบโตแทนการเสนอแนะตัวเองเป็นวิธีการที่ปลูกฝังความคิดในทางสร้างสรรค์ลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณหรือไม่ก็เปิดโอกาสให้ความคิดที่ไม่สร้างสรรค์เข้าสู่จิตใจได้สิ่งเหล่านี้จะเข้าไปมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเรา และนี่เป็นส่วนของจิตใต้สำนึกที่เรานำไปใช้ประโยชน์ได้การเสนอแนะตัวเองเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความคิดบวกและจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จบท ว, วิจารณ์มีการศึกษาและทดลองทางจิตวิทยามากมายเกี่ยวกับการสะกดจิตที่ได้สนับสนุนแนวคิดของนโปเบลียนฮิวที่ว่าจิตใต้สำนึกของคนเราเป็นที่เก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยพบเจอ การศึกษาวิจัยสนับสนุนว่าจิตใต้สำนึกนั้นอยู่นอกเหนือการตัดสินใจของเราไม่มีการกลั่นกรองหรือแปลผลใดๆทั้งสิ้นมันจะรับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาแล้วเก็บสะสมไว้สำหรับผู้อ่านที่อาจจะสงสัยว่าจิตใต้สำนึกหรือความคิดที่อยู่ใต้ระดับความรู้สึกของตัวเราสามารถไปมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมได้อย่างไรคาอธิบายต่อไปนี้ อาจช่วยไขยข้อข้องใจได้เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะต่างๆทางจิตวิทยาได้แก่ภาวะที่ถูกครอบงำทางจิตใจความหวาดกลัวพฤติกรรมย้ำทำภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่เด็กได้เรียนรู้ว่าเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลังและสิ่งนั้นได้ฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สำนึก เมื่อเด็กนั้นได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แม้จะได้เรียนรู้และเข้าใจข้อมูลนั้นในมุมมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เนื่องจากประสบการณ์การเรียนรู้ขณะที่ยังอยู่ในวัยเด็กนั้นทรงพลังมากและจิตใต้สำนึกก็ยังเก็บสะสมข้อมูลและความเข้าใจแบบเด็กไว้อยู่ผลก็คือเกิดภาวะที่ถูกครอบงมทางจิตใจด้วยความหวาดกลัวพฤติกรรมย้ำทำที่มีสาเหตุมาจากรากฐานในวัยเด็ก โดยที่ไม่มีเหตุผลเลยสำหรับจิตสำนึกของผู้ใหญ่นั่นก็เพราะมันไม่ได้มาจากจิตสำนึกแต่มาจากความเชื่อในจิตใต้สำนึกซึ่งอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลและจิตใจทฤษฎีของฮิวมีพื้นฐานอยู่บนหลักการเดียวกันกับหลักจิตวิทยาความคิดส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึก มันจะคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อตอนที่เข้ามาและยิ่งผสมผสานอารมณ์ลงไปในความคิดมากเท่าใดยิ่งทำให้ความคิดมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมมากขึ้นเท่านั้นการที่จิตใต้สำนึกยอมให้คุณใช้การเสนอแนะตัวเองเป็นเครื่องมือในการใส่ความคิดเชิงบวกลงไปนี้จะช่วยคุณประสบความสาเร็จในปณิธานที่ตั้งใจจบบทวิจารณ์ สร้างมโนภาพและความรู้สึกว่าเงินทองอยู่ในมือเราในขั้นตอนสุดท้ายของคำแนะนำทั้งหกประการในบทที่ 3, สาศรัทธาคุณได้รับคำแนะนำให้อ่านข้อความแห่งปณิธานเกี่ยวกับเงินทองที่เขียนไว้ออกมาดังๆวันละสองเวลาคุณจะถูกตัวเองชี้นำให้เห็นและรู้สึกว่าได้ครอบครองเงินทองนั้นแล้วจริงๆในการทาตามคาแนะนานี้ จะทำให้คุณสามารถนำปณิธานของคุณไปสู่จิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณแห่งศรัทธาได้โดยตรงเมื่อทำตามคำแนะนำนี้ซ้ำๆคุณจะเกิดความคุ้นเคยกับความคิดที่จะช่วยเสริมแรงคุณในการแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองจงอ่านคำแนะนำนี้อีกรอบอย่างตั้งใจก่อนที่จะอ่านเรื่องอื่นต่อไป 1. ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการไว้ในใจให้ชัดเจนการพูดง่ายๆกว้าง ว่าฉันต้องการเงินมากๆนั้นไม่เพียงพอจงระบุจํานวนเงินที่แน่นอนลงไปเลย 2. กํกหนดสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเพื่อให้ได้เงินมาตามที่ปรารถนาในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีคำว่าได้อะไรมาฟรีๆ 3. ระบุวันที่แน่นอนในการที่จะได้ครอบครองเงินที่ปรารถนา 4. ส, สร้างสรรแผนการที่จะทำให้ปณิธานบรรลุผลสาเร็จและเริ่มลงมือทันที ไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตามเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ 5. เขียนมันลงไปเขียนข้อความซึ่งชัดเจนและกระชับถึงจำนวนเงินที่ต้องการได้กรอบเวลาในการดำเนินการระบุเกี่ยวกับสิ่งซึ่งจะทำให้คุณและรายละเอียดของแผนการที่คุณได้ตระเตรียมไว้ 6. อ่านข้อความที่คุณเขียนออกมาดังๆวันละสองเวลาก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนตอนเช้า ขณะที่อ่านจงสร้างมโนภาพความรู้สึกและสร้างความเชื่อว่าตัวเองได้ครอบครองเงินนั้นเรียบร้อยแล้วจงจําไว้ว่าการอ่านข้อความแห่งปณิธานของคุณออกมาดังๆซึ่งเป็นการพัฒนาสํานึกแห่งเงินทองของคุณนั้นจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณผสมผสานอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในคําพูดออกมาด้วยเท่านั้นจิตใต้สํานึกของคุณจะจดจําและทํางานต่อเมื่อมีการผสมผสานอารมณ์และความรู้สึกเข้าไปในความคิด การปฏิบัติซ้ำๆนี้เป็นหัวใจที่สำคัญมากผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้จะไม่สามารถนำหลักการของการเสนอแนะตัวเองไปใช้ให้เกิดผลได้คำพูดที่เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นที่จะมีผลต่อจิตใต้สำนึกมันจะได้ผลต่อเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะเข้าใจถึงจิตใต้สำนึกด้วยความคิดหรือคำที่เปล่งออกมาด้วยอารมณ์แห่งความเชื่อและศรัทธาในครั้งแรกจงอย่าท้อแท้ ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมและชี้นำอารมณ์ของคุณเองได้จําไว้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คุณต้องตั้งใจที่จะทำเมื่อทำตามหลักการนี้คุณจะสามารถจัดการกับจิตใต้สานึกได้คุณต้องลงทุนลงแรงในการพัฒนาความสามารถนี้คุณเท่านั้นที่ต้องตัดสินใจว่ารางวัลคือจิตสานึกแห่งเงินทองที่ได้รับจากการลงทุนลงแรงที่คุ้มค่าหรือไม่ ศักยภาพในการใช้หลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองนี้จะขึ้นกับความสามารถของตัวคุณเองในการที่จะรวมพลังใจเพื่อจดจ่อกับปณิธานจนกระทั่งปณิธานนั้นกลายเป็นการย้ำคิดที่แรงกล้าวิธีการรวมพลังใจของคุณให้เข้มแข็งเมื่อคุณเริ่มต้นทำตามคำแนะนำทั้งหกนี้จำเป็นต้องใช้หลักการรวมพลังใจต่อไปนี้เป็นคำแนะนำวิธีการรวมพลังใจ เมื่อคุณเริ่มขั้นตอนแรกของคำแนะนำจงระบุจำนวนเงินที่ต้องการไว้ในใจให้ชัดเจนให้คุณหลับตาแล้วเพ่งความคิดของคุณไปยังจำนวนเงินนั้นจนกระทั่งเห็นเงินนั้นปรากฏขึ้นมาจริงๆจงทำเช่นนี้อย่างน้อยวันละครั้งเช่นเดียวกับที่คุณได้ฝึกฝนตามคำแนะนำในบทที่ 4, สศรัทธาและเห็นตัวเองได้ครอบครองเงินนั้นจริงๆนี่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดเจตใต้สำนึกจะรับคำสั่ง จากศรัทธาอันแน่วแน่และจะตอบสนองต่อคาสั่งนั้นแต่คาสั่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านการยืนยันซ้ำๆก่อนที่มันจะถูกแปรผลโดยจิตใต้สำนึกด้วยเหตุนี้จึงทำให้คุณสามารถใช้มันเป็นคนอุบายในการหลอกจิตใต้สำนึกจงทำให้จิตใต้สำนึกหลงเชื่อเพราะตัวคุณเชื่อว่าคุณต้องได้เงินที่กาลังสร้างมโนภาพไว้จงทาให้มันเชื่อว่าเงินนั้นรอคุณอยู่แล้ว จากนั้นจิตใต้สำนึกจะจัดการกับแผนการที่คุณวางไว้เพื่อให้ได้เงินมาจงนำความคิดนี้ไปสู่จินตนาการของคุณและมองเห็นสิ่งซึ่งจินตนาการของคุณสามารถทาหรือจะทาในการสร้างสารรค์แผนการที่จะได้เงินจากการแปลเปลี่ยนปณิธานของคุณอย่ารอให้แผนการที่คุณจะทำธุรกิจหรืองานบริการที่คุณสร้างมโนภาพไว้เสร็จเรียบร้อย จงเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ในการที่จะมองเห็นตัวเองได้ครอบครองเงินก้อนนั้นสร้างความต้องการและความคาดหวังให้ตัวเองแล้วจิตใต้สำนึกจะจัดการกับแผนการของคุณเองจงตื่นตัวกับแผนการนี้และเมื่อมันเริ่มปรากฏขึ้นให้ลงมือทําทันทีเมื่อแผนการปรากฏขึ้นมันอาจแวบเข้ามาในจิตใจของคุณในรูปแบบของแรงบันดาลใจหรือการอย่างรู้ ซึ่งมาจากอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลจงปฏิบัติตามด้วยความเชื่อถือและลงมือทันทีที่ได้รับรู้ในข้อที่สี่ของคำแนะนำทั้งหกนั้นคุณถูกกำหนดให้สร้างสรรแผนปฏิบัติตามปณิธานที่ตั้งไว้และเริ่มลงมือปฏิบัติตามแผนทันทีจงทำเช่นเดียวกันคือหลับตาแล้วจินตนาการขึ้นในใจว่าคุณได้ทาตามแผนนั้นจงมั่นใจในเหตุและผล เมื่อคุณสร้างสารรค์แผนงานของคุณเพื่อให้ได้เงินผ่านการแปลเปลี่ยนปณิธานระบบเหตุผลของคนเราอาจจะทำให้คุณเฉยชาถ้าคุณเอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับมันก็อาจทำให้ท้อแท้ซะก่อนเมื่อเห็นเงินที่คุณตั้งใจจะได้แล้วคิดฝันให้เห็นตัวเองกำลังได้ทำธุรกิจที่ตั้งใจว่าจะทำเงินให้สิ่งนี้สาคัญมากบทวิจารณ์หลักการพื้นฐานของการเสนอแนะตัวเอง ใกล้เคียงกับการสะกดจิตตัวเองทั้งสองเทคนิคนี้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการของจิตบาบัดแนวใหม่แม้ว่าทั้งสามแนวคิดคือการเสนอแนะตัวเองการสะกดจิตและจิตบาบัด ต, ต่างก็ต้องเอาชนะความสงสัยไม่เชื่อถือจากสาธารณชนและก็โชคไม่ดีนักที่การเสนอแนะตัวเองและการสะกดจิตยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับการสะกดจิต เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดที่พัฒนาโดยจิตแพทย์หลายคนเช่นซิกมันฟลอยด์คาวจุงและวิลเลียมเจมส์มันเป็นวิธีบำบัดที่คนไม่ค่อยชื่นชมเพราะนักมยากลนำไปใช้บนเวทีเพื่อการแสดงผู้คนทั่วไปยากที่จะยอมรับวิธีที่จะถูกใช้กับคนดูในโรงหนังสถานที่เที่ยวหรือให้ทำอะไรแปลกๆตลกๆ การเสนอแนะตัวเองก็เจอปัญหาคล้ายๆกันจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสเอมิลี่คูเอเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้สนับสนุนแนวคิดการเสนอแนะตัวเองทั้งคูเอและจิตแพทย์ร่วมสมัยซิกมันฟลอยร่วมกันเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตสรีระแปรปลวนข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงคือภาวะทางจิตใจ ที่ไปมีผลต่อการทำงานของอวัยวะบางส่วนในร่างกายและอาจทำให้เกิดอาการทางกายจบข้อมูลผู้เรียบเรียงครูเอรักษาคนไข้ด้วยเทคนิคการเสนอแนะตัวเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการกล่าวข้อความซ้ำๆซึ่งเขาเรียกว่าการยืนยันกับตัวเองในเชิงบวกครูเอได้คิดหาข้อความทั่วๆไปที่จะให้คาแนะนาในแง่ดีแก่จิตใต้สานึก และเป็นข้อความเปิดกว้างพอที่จะไม่ไปสั่งจิตใต้สำนึกว่าต้องทำอย่างไรการยืนยันในแงด่ดีเช่นฉันกําลังดีขึ้นในทุกๆเรื่องและทุกๆวันเขาแนะนำให้ผู้ป่วยย้ำข้อความนี้วันละหลายๆครั้งคนไข้ของเขาดีขึ้นมากและดีขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่กล่าวขวัญในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในยุโรปมีการใช้ข้อความลักษณะนี้กันมาก ข้อความแห่งความสำเร็จและวิธีการของครูเอเริ่มแพร่หลายและได้รับเชิญไปบรรยายในสหรัฐอเมริกาในการบรรยายครั้งหนึ่งนักข่าวหนังสือพิมพ์ได้ยาะเย้ยและพูดเล่นว่าวิธีการนี้เรียกว่านรกเอย๋ยข้าสบายดีมีคนเอาเรื่องตลกนี้ไปพูดทุกๆแห่งที่เขาไปพูดและตีพิมพ์จนกระทั่งเขายกเลิกการบรรยายและกลับไปทำงานต่อที่ยุโรป ขณะที่นักวิทยาศาสตร์และนักจิตบำบัดยังคงทํางานกับการเสนอแนะ ต, ตัวเองต่อไปอย่างเคร่งเครียดแต่นักมายากลกลับนําการสะกดจิตไปใช้แสดงบนเวทีจนสาธารณชนเริ่มรู้สึกเสื่อมความนิยมในวิธีการยืนยันในแง่ดีของครูเอกว่าที่เทคนิคของการสะกดจิตและการเสนอแนะตัวเองจะได้รับการยอมรับอีกครั้งหนึ่งก็ถึงปลายศตรวรรษที่20แล้วทุกวันนี้ถ้าคุณเข้าไปในอินเทอร์เน็ต จะพบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับการยืนยันกับตัวเองในเชิงบวกได้มากกว่า 40,000 เว็บไซต์และจะพบหนังสือขายดีเกี่ยวกับเรื่องนี้จำนวนมากมาหนังสือพิมพ์นิตยสารและข่าวโทรทัศน์มักจะนำเสนอเรื่องราวของจิตใจที่มีบทบาทต่อการพัฒนาตัวเองและความสำเร็จเทคนิคที่มีพื้นฐานจากการเสนอแนะตัวเองได้ทาให้เกิดหนังสือขายดีวิดีโอนับไม่ถ้วนและทุกๆสัปดาห์ คนนับพันได้เข้าร่วมอบรมสมนาฟังบรรยายฟังนักพูดสร้างแรงบันดาลใจปาทะกะถาของผู้นำและเพื่อเรียนรู้เทคนิคที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จเกือบทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาจากหลักการพื้นฐานของนโปเลียนฮิลในหนังสือเล่มนี้เมื่อฮิลแนะนำผู้อ่านว่าให้คุณหลับตาแล้วเพ่งความคิดของคุณไปยังเงินจานวนนั้น จนกระทั่งเห็นเงินจำนวนนั้นปรากฏขึ้นมาแท้ที่จริงแล้วเขากำลังบรรยายถึงเทคนิคแห่งการเสนอแนะตัวเองซึ่งผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจในยุคนี้ใช้กันทุกวันนี้เราเรียกว่ามโนภาพแห่งการสร้างสารรค์ (Creative Visualization) มันมักถูกใช้โดยผู้ฝึกสอนนักกีฬาโอลิมปิกและผู้จัดการทีมถูกใช้ในการฝึกอบรมนักบินอวกาศโดยองค์การนาซานอกจากนี้ แพทย์ยังใช้ในการสอนผู้ป่วยเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคการใช้มโนภาพอย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างจากการฝันกลางวันถึงสิ่งที่อยากได้หรือตั้งเป้าไว้อย่างมากมายมโนภาพเป็นเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการการสร้างสรรค์ความคิดที่ชัดเจนการยืนยันกับตัวเองอย่างพุ่งไปที่การสร้างสรรค์บางสิ่งที่ปรารถนาไปสู่ความเป็นจริง นโปยเรียนฮิลได้ระบุถึงมโนภาพและเขียนไว้ตั้งแต่ปีคิต ศ, ศ1928ในหนังสือขายดีเล่มแรกของเขาเรื่อง Law of Success ตั้งแต่นั้นนักจิตวิทยาแพทย์นักพูดสร้างแรงจูงใจและนักเขียนหลายต่อหลายคนก็เริ่มพัฒนาระบบที่ใช้หลักการพื้นฐานเดียวกันนี้ศัลยแพทย์ตกแต่งดรแม็กซ์เวลล์มอลพบว่า การเปลี่ยนการรับรู้ภายในตัวเองของผู้ป่วยมีความสำคัญมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกหนังสือขายดีของด็ตอร์มอชื่อ f i c a l Cybernetics เน้นว่ามโนภาพเป็นหนทางที่จะเพิ่มพูนความภาคภูมิใจในตัวเองและปรับปรุงศักยภาพของเราวิธีซิวาซิวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของมโนภาพ ที่ผู้ฝึกสอนซิวาได้สอนผู้คนนับล้านไปทั่วประเทศรวมไปถึงหนังสือยอดขายสูงสุดของโจเซซิวา The s v a m d Control Method ซึ่งขายได้หลายล้านเล่ม50ปีหลังจากเนโปเลียนฮิลเขียนเรื่องมโนภาพในหนังสือ Law of Success ในปีคิ ศ, ศ1978ชักติกาเวนก็ได้เขียนหนังสือที่สร้างยอดขายเป็นประวัติการชื่อ Creative Visualization ส่วนอดิเลตบลายเขียนหนังสือเรื่อง Visualization Directing The Moves of Your Mind และในเวลาใกล้เคียงกันนายแพทย์โอคาวไตมอนตันผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งสรุปว่าผู้ป่วยที่ใช้เทคนิคมโ น, นภาพร่วมกับเคมีบำบัดให้ผลในการรักษาดีกว่าไม่ใช้มโนภาพร่วมด้วยหนังสือขายดี Getting Well Again และตามมาด้วยหนังสือที่วงการแพทย์ให้การยอมรับเช่น Love Medicine and Miracles โดยนายแพทย์เบอร์นีซีกานและ Super Immunity โดยนายแพทย์พอลเพอร์ซัตหนังสือขายดีเล่มอื่นๆโดยนายแพทย์จอห์นซานโนนายแพทย์ดีเพ็กชูพราและนายแพทย์แอนดรูวเวลได้สร้างสารรค์ให้สิ่งซึ่งครั้งหนึ่ง ถูกมองว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกให้กลายเป็นสาขาหลักสาขาใหม่ในเวชปฏิบัติจบบทวิจารณ์กระตุ้นจิตใต้สำนึกของคุณคำแนะนำสำหรับปณิธานแห่งเงินทองจะรวมเข้ากับหลักการกระตุ้นจิตใต้สำนึกเพื่อสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้ 1. ห, หาสถานที่เงียบสงบซึ่งไม่มีใครรบกวนหรือขัดจังหวะได้หลับตา แล้วเปล่งเสียงพูดข้อความจำนวนเงินที่ตั้งใจไว้ออกมาดังๆเพื่อที่ว่าคุณจะได้ยินเสียงตัวคุณเองควรกำหนดระยะเวลาที่จะต้องได้เงินนั้นไว้ด้วยบอกรายละเอียดของธุรกิจหรือบริการที่คุณจะใช้หาเงินก้อนนั้นเมื่อทำตามคำแนะนำนี้แล้วให้นึกเห็นภาพตัวคุณเองได้ครอบครองเงินนั้นแล้ว ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณต้องการได้เงินห้าหมื่นดอลลาร์ภายในวันที่หนึ่งมกราคมห้าปีหลังจากนี้และคุณเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายยอดขายของคุณจะทำให้คุณได้เงินก้อนนั้นมาดังนั้นข้อความที่คุณตั้งใจไว้ควรจะเป็นดังนี้เมื่อถึงวันที่หนึ่งมกราคมปีกําหนดปีฉันจะต้องมีเงินห้าหม่นดอลลาร์ซึ่งเงินจะค่อยๆลงังไลามาหาฉันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เงินมาฉันจะทำงานอย่างสุดความสามารถที่มีอยู่ฉันจะให้บริการการขายให้ดีที่สุดทั้งปริมาณและคุณภาพในผลิตภัณฑ์บอกรายละเอียดงานบริการหรือธุรกิจที่คุณตั้งใจจะทำฉันเชื่อมั่นว่าฉันจะได้เงินนั้นมาศรัทธาของฉันแรงกล้าจนสามารถมองเห็นเงินนั้นอยู่ตรงหน้าฉันสามารถสัมผัสมันด้วยมือของฉันเมื่อถึงเวลานั้น เงินจากการทำงานนี้จะรอฉันอยู่ฉันกำลังรอแผนงานที่จะทำเงินนั้นและจะทำตามแผนทันที 2. ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำๆก่อนนอนและตอนเช้าจนกระทั่งคุณมองเห็นในจินตนาการเงินที่ต้องการจะได้ 3. วางแผ่นกระดาษที่เขียนข้อความนั้นไว้ในที่ที่คุณเห็นได้ง่ายในเวลากลางคืนและตอนเช้า และอ่านมันก่อนจะนอนและหลังตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งจำได้หมดบทวิจารณ์ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำจากงานเขียนของฮิลเรื่อง Law of Success และ Napoleon Hill's Keys to Success รอบตัวคุณอาจมีหนังสือรูปภาพสุภาษิตและคำแนะนำอื่นๆจงหยิบเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสัญลักษณ์เตือนใจและเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและความสาเร็จ จงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้และย้ายมันไปที่ใหม่ซึ่งคุณเห็นได้ชัดและสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่คุณทำผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นในหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งที่เก็บใบรับรองยอดขายล้านดอลลาร์ไว้บนโต๊ะเพื่อเตือนใจตัวเธอเองให้ตระหนักถึงความสามารถที่ตัวเองมีวันหนึ่งเธอเอามันออกมาปัดฝุ่นและวางมันไว้บนหนังสือพิมพ์เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมา ก็เหลือบไปเห็นบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับโค้ชฟุตบอลคนใหม่ที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างเขาก็คือลูกค้าที่ซื้อบ้านซึ่งเธอเป็นนายหน้าขายให้นั่นเองจบบทวิจารณ์จงจำไว้ว่าเมื่อคุณได้ทำตามคำแนะนำนี้แล้วนั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้หลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองเพื่อออกคำสั่งกับจิตใต้สำนึกจำไว้ได้ว่าจิตใต้สำนึกของคุณจะทำงานตอบสนอง ต่อคำแนะนําที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกเท่านั้นศรัทธาคืออารมณ์สร้างสรรค์อันแรงกล้าในเบื้องต้นคําแนะนําเหล่านี้อาจดูเพ้อฝันอย่ายอมให้มันรบกวนจิตใจคุณจงทําตามคําแนะนําโดยไม่สนใจว่ามันจะดูเพ้อฝันและไม่เห็นผลในทางปฏิบัติถ้าคุณทําตามคําแนะนํานี้ด้วยจิตวิญญาณในไม่ช้าคุณจะได้พบกับพลังแห่งจักรวาล เป็นธรรมดาที่ไอเดียใหม่ๆมักทำให้เกิดความลังเลสงสัยซึ่งมนุษย์ทุกคนก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำความลังเลสงสัยจะถูกแทนที่ด้วยความเชื่อและความเชื่อก็จะตกผลึกเป็นศรัทธาที่แน่วแน่นักปรัชญาหลายคนกล่าวว่าคนเราเป็นผู้กำหนดโชคชะตาของตัวเองแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดเช่นนั้นคนที่อาจจะเป็นนายของตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขาได้ เพราะเขามีพลังอำนาจที่จะควบคุมจิตใต้สำนึกเราสามารถแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองโดยการเสนอแนะตัวเองนี่เป็นหลักการที่คุณสามารถเข้าถึงและมีอำนาจเหนือจิตใต้สำนึกได้คิดไว้ในใจเสมอว่าคุณควรสำนึกอยู่ตลอดเวลาถึงความสำคัญของหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองที่มีบทบาทในการสะสมความมั่งคั่งตามวิธีการที่ได้แนะนาในหนังสือเล่มนี้ เมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบแล้วให้กลับมาที่บทนี้และปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความตั้งใจจริงคุณอาจอ่านบทนี้ใหม่อีกครั้งทุกคืนจนกระทั่งคุณเชื่อมั่นในหลักการแห่งการเสนอแนะตัวเองจะทําให้คุณสมหวังในสิ่งที่ต้องการขณะที่คุณอ่านควรขีดเส้นใต้เน้นข้อความทุกประโยคที่ประทับใจไว้ด้วย จงทำตามคำแนะนำที่ได้กล่าวไว้แล้วคุณจะเข้าใจอย่างท่องแท้และเข้าถึงหลักการแห่งความสำเร็จในที่สุดทุกครั้งที่พบอุปสรรคทุกครั้งที่ล้มเหลวและทุกครั้งที่เจ็บปวดใจมันได้ให้กําไรชีวิตแก่เราเทียบเท่ากันหรืออาจมากกว่าเดิมจบบทที่ห้าบทที่หความรู้เฉพาะทาง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 เกดให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยกับความรู้ทั่วไปแต่เขาอุทิศตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้เฉพาะทางเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิตปณิธานอันแรงกล้าของเกดถูกเร่งร้าวเมื่อเพื่อนในชมรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อพอลอเลนได้ซื้อเอกสารโฆษณาสินค้าจากป o อป l ูล e าอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมกราคมคศ1975โฆษณานั้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอันแทอ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 พวกเขาได้โอกาสทางธุรกิจสองครั้งซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของ Microsoft โอกาสแรกเมื่อ IBM เร่งรีพัฒนาเกตได้ซื้อระบบปฏิบัติการซึ่งพัฒนาแล้วจากทีมแพตเตอร์สันเกตได้นำมาปรับปรุงแล้วตั้งชื่อใหม่ว่า m s Microsoft Disk Operating System โอกาสที่2คือการเจรจาต่อรองกับ IBM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 กรรมการบริหารบริษัท Dictograph Product ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของบริษัทที่ฮันพิวทำงานอยู่ต้องขอพบตัวเขา a n นดรู Andrew, ต้องการรู้จักแดนฮันพิวที่แย่งยอดขายไปจากบริษัทที่ก่อตั้งมานานอย่างดิ t โท r ราฟเมื่อการสัมภาษณ์จบลงฮันพิวได้กลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่ของบริษัทเครื่องช่วยฟังดิกโทกราฟและเพื่อที่จะทดสอบความสามารถของฮันพิว เขาได้เดินทางไปฟลอริดาถึงสเดือนปล่อยให้ฮันพินพเผชิญกับงานใหม่ของเขาคำพูดของนูเต้ร็อกเน่ที่ว่าโลกยอมรับแต่ผู้ชนะแต่ไม่มีเวลาสำหรับผู้แพ้กลับเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทุ่มเทกับงานมากขึ้นจนในที่สุดเขาได้รับเลือกเป็นรองประธานบริษัทบางคนต้องทุ่มเททำงานตลอดสิบปีเพื่อตาแหน่งที่น่าภาคภูมิใจนี้แต่เขาใช้เวลาเพียง6เดือนเท่านั้น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 บริษัทมีที่ปรึกษาด้านความงามมากกว่าหนึ่งล้านคนใน3าสิบประเทศทั่วโลกด้วยยอดขายมากกว่าหนึ่งจุ้าพันล้านดอลลาร์แมร k a เคคอสเมติกติดอันดับหนึ่งในร้อบริษัทที่ดีที่สุดถึงสามครั้งเครือข่ายโทรทัศน์ให้เกียรติเธอเป็นนักธุรกิจหญิงแห่งศตวรรษนอกจากนี้เธอยังเป็นนักผู้สร้างแรงจูงใจและเป็นนักเขียนหนังสือขายดีถึงสามเล่มนิบัเตอร์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 ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รวมอยู่ในหนังสือคิดแล้วรวยแต่เขาก็ใช้มันเป็นตัวอย่างบ่อยๆในการบรรยายและสัมมนาเมื่อปีคิเตศักราช1893มีหนุ่มซึ่งเริ่มทำงานรถไฟในตำแหน่งช่างโดยค่าจ้างเพียง5เซนต์ต่อชั่วโมงเขาพยายามเข้าคอร์สฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องจับไอ้น้ำที่เขาทำงานอยู่ปีคิตศักราช1905เขาตั้งใจทางาน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 แล้วลงมือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ออกทีละชิ้นทีละชิ้นเสร็จแล้วประกอบมันกลับเข้าไปใหม่แยกชิ้นส่วนออกแล้วประกอบใหม่ซ้ำไปซ้ำมาหลังทำเช่นนี้หลายๆครั้งเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งที่อยากรู้จนหมดและนี่คือเรื่องราวการรวบรวมความรู้เฉพาะทางของวอลเตอร์พีไครสเลอร์ในที่สุดเขาก็ลาออกจากงานรถไฟเข้าสู่ธุรกิจรถยนต์จบบทนิจาร์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 อันเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงความรู้เฉพาะทางเข้ากับไอเดียเพื่อสร้างสรรแผนการไปสู่ความร่ำรวยถ้าคุณมีจินตนาการบางทีจะช่วยคุณมีไอเดียดีๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวยที่คุณต้องการจงจำไว้ว่าไอเดียเป็นสิ่งสำคัญและความรู้เฉพาะทางก็สามารถหาได้จากรอบๆตัวเรานี่เองความสุขไม่ได้เกิดมาจากการได้ครอบครองความสุขเท่านั้น แต่เกิดจากการที่ได้ทำอะไรแล้วมีความสุขด้วยจบบทที่หก